วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าพระสงฆ์นุญาติโยมมาจําพรรษาที่วัดสนานมในเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกรกฎาคมศุกร์นี้ ข้าพันศาผ่านมาแล้วเป็นเวลาหกวันวันนี้เป็นวันที่เจ็ดทุกคนที่มาที่นี่วัดสนามไหนบางคนได้ยินว่าวัดสนามไหนอยู่ทางไหนไม่รู้จักทิศทางมาก็มีบางคนรู้จักแล้วมาก็มีมันเป็นธรรมดาเรื่องเนี้ บางคนวัดสนามในเป็นที่ร่มลื่นศึกษาธรรมะดีอย่างนั้นก็มีเข้าใจไยนะบางคนวัดสนามในไม่เห็นมีเรื่องอะไรหรอกอย่างนั้นก็มีเราจะไปเสื้อคนอย่างนั้นต้องมาดูด้วยสายตาของเราเองเรามาสัมผัสดูว่ามันดีอย่างไงสวยอย่างไงเราจะได้รู้วัดสนานในพระสงฆ์ หรือญาติโยมมายุวสนาไหนเขาทำอะไรกันบ้างต้องถามถามแลวต้องเข้าไปสัมผัสดูจึงจะรู้ลดว่าการทำอย่างนี้มีคุณค่าอย่างไรเราจะได้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็จะพูดเรื่องการกระทำผม นึกตัวหลงพ่อเองไม่เคยเข้าโรงเรียนเพราะบ้านหลวงพ่อไม่มีโรงเรียนสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเดิมมันพ่อแม่ให้ซื้อว่าเกิดขึ้นมาเขาเรียกเด็กสายพันธุ์นามสกุลอินทรีย์เกิดที่บ้านบุโม o ตำบลบุโม o อำเภอเสียงคานจังหวัดเลยทางนั้นนี่ว่าไม่จะเล เึงขาดการศึกษารเราเรียงพอเด็กใหญ่ขึ้นมานี่ว่าเป็นเด็กอายุสิบกว่าปีท่านก็ให้บวชเป็นเนเมื่อบวชเป็นเดนก็มีครูบาอาจารย์สอนตัวหนังสือลาวกับตัวหนังสือธรรมหนังสือลาวกอมันติดกับมึงลาวก็เรียกหนังสือลาวแต่ความจริงหนังสือไทยน้อยคน ไทยน้อยไทยใหญ่ตัวหลวงพ่อไม่เคยรู้ไทยใหญ่ไม่เคยรู้รู้แต่ไทยน้อยตัวหนังสือลาวนั่นเองกับตัวทำแล้วเรียนหนังสือเหล่านั้นเขียนได้อ่านเป็นเล็กเล็กน้อยๆอยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนกันอย่างที่นักเรียนเรียนกันทุกวันเรียนเพียงว่าตอนเ้ากลางวันเรียนสองครั้งเรียนกับอาจารย์เป็นอย่างนั้น พอดีเขียนหนังสืออ่านได้เขียนเป็นเล็กเล็กน้อยๆอาจารย์ท่านก็สอนกรรมฐานไปพร้อมสอนวิธีทํากรรมฐานแต่ไม่รู้ว่าคำว่ากรรมฐานนี่หมายถึงอะไรไม่รู้สมัยนั้นก็ทํากระทาไปนะเพราะว่าท่านมีขุมรู้อย่างนะก็สอนเราอย่างนั้นเราก็ต้องทําตามท่านไปเป็นอย่างวิธีที่หลงข้อเรียนที่แรกก็ต้องนั่งขัดสมาธิ ส, สั้นนัน่งขัดเอาขาเกี้ยวกันขาขัขาขดสมาเพชรหลับตาแต่ว่าไม่หลับให้สนิทพอมองออกไปข้างนอกเป็นสีเดืองเหลืองเป็นเนั้นเองแล้วก็ให้ภาวนาพุทธโธเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโกนี่แหละแต่ไม่ให้มีเสียงนึกในใจนี่ว่าบริกรรมในใจเท่นั้น มีอา น, นิสงส์มากทันไหวอย่างนั้นก็เราก็อยากได้อา น, นิสงส์ก็เลยไม่รู้ว่าอา น, นิสงส์หมายถึงอะไรไม่รู้ข่าวนั้นไม่รู้จริงๆแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเรื่องอะไรแล้วก็ทำไปตามเรื่องราวที่ท่านมีคมรู้มาสอนเหล่านั้นเองบวชอยู่ระยะปีหเดือนเรียกว่า 2, สองพรรษาเป็นเนมศึกออกมา ก็มีการทำบุญที่ไหนเขาชอบไปฟังเทศกับพระเขาเรียกว่าเสียงมันหลวงพ่อซิกออกมาก็เรียกเป็นเสียงก็ไปรัตนามงคลรัตนาเทศถวายสังฆทานตอนเช้าเพราะครูบาอาจารย์ฝึกให้เรียนลู่จักเขารบนกน้อมท่านวัดอ่อนน้อมทอมตนท่านสอนอย่างนั้นครูบาอาจารย์กายใกล้อาจารย์นี่สามวาก็ให้มอบสามซอกให้คาน สมัยนั้นนะ่ะครูบาสอนอย่างนั้นล้วก็ต้องทาได้แต่ยังไม่รู้ว่าอา น, นิสงการทากรรมฐานก็ไม่รู้อา น, นิสงการบวชก็ไม่รู้ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งแบบนี้อ่านได้อ่านจนจำได้กับปากเท่าทุกวันนี้เรียกว่าสองสักปธาสองเขาแจกเรื่องการบวชมีอา น, นิสงส์เท่านั้นเท่านี้อยู่ในห้านหมด บวชลูกตัวเองได้อา น, นิสงเท่าไร่บวชตัวเองได้อา น, นิสง์เท่าไหร่สามีภรรยาออกจากกันไปบวชมีอา น, นิสงเท่ะไรบอกในท่านทั้งหมดหนังสือเรื่องนั้นท่านเขียนเอาไว้แต่ใครเขียนเขาไม่รู้แต่ว่าเขียนติ ด, ต, ดติดกันมาตอนไปเซบาตตอนเ้าได้อา น, นิสงหกกลับคนได้เซบาตให้พระตอนเ้ามีอา น, นิสงหกกลับไป คนใดไปทรงอาหารให้พระตอนเช้าได้อเ น, นสงห้ากับและคนใดไปทรงอาหารกลางวันได้อเนสงสี่กับท่านสอนไปยังไงนังเสืออันนั้นพูดไปยังไงกับเนื้อนังก้งกวง้อยโยต์ลึก้อยโยต์ร้อยปีของเมืองคนจึงเท่ากับปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปี เทวดาจะเอาเมล็ดงามมาทิ้งลงใส่บอ่อใส่ขุมอันนั้นให้มันเต็มลาบเปียนเหมือนหน้าของนี่นก็เป็นหนึ่งกลับถ้าพูดทางสูงทางก้วงทางใหญ่ก็ก้วงลอยโยต์สูงลอยโยต์ร้อยปีของเมืองคนจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีแล้วเทวดาก็เอาเมล็ดงามมาทิ้งซีที่ตรงนั้นเออมาเอาไม่กวดหลวงพ่อหลวงเมื่อกี้เนี่ยขออภัยนิดเดียว เอาเอาไม้มากวดมาปัดให้มันลาบเตียนเหมือนหน้ากอนึก็เป็นหนึ่งกับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าไม้ถึงอะไรไม่รู้นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบัดนี้ต่อมาเมื่อมาเจริญสติปรฏานนี่แหละเลยเข้าใจคาหมายเหล่านั้นได้ไม่ต้องไปศึกษากับตำลับตำราก็ได้มีความสำนึกขึ้นมา โอท่านว่ากับนึ่งก้วง1อยโยน์ลึก1อยโยต์หรือสูง1อยโยน์นั้นมันหมายถึงตัวเองคือมันว่างโดยไม่รู้ไม่รู้สึกตัวการทำการพูดการคิดมันเลยว่างคือมันขาดจากสติขาดจากสมาธิขาดจากปัญญาว่าอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันเมื่อพูดอีกภาษาบ้านเราๆว่างจากผมรู้สึกตัว ในการทำการพูดการคิดไม่รู้สึกตัวนี่ก็ว่างเหมือนกันเจียมันก้วงลอยโยดลึกลอยโยดแล้วก็ไม่มีสติคือไม่รู้สึกอันเดียวกันไม่รู้สึกตัวกับไม่มีสตินี่รวมเดียวกันเข้าใจอย่างนี้บ่เนี่มเมล็ดงาบเนี้เอาไปเที่งใช้มันเต็มเราเขามาคิดได้สองคือเป็นหนึ่งซอกสี่ซอเป็นหนึ่งวา ยี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้นยี่สิบห้าเส้นเป็นหนึ่งกิโลยี่สิบห้าเส้นเป็นหนึ่งวันนี้ร้อยเส้นก็เป็นสี่กิโลใช่ไหมร้อยรอยเส้นเป็นสี่กิโลนะวันนี้ร้อยเส้นเป็นสี่กิโลวันนี้สี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยดวันี้เพียงร้อยเส้นเนี่ยเป็นสี่กิโล 4, เดี๋สี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยดวันสี่สี่สิบหก 16กิโลเป็นหนึ่งโยดบนบันนี้ร้อยโยดบนจกคิ่เท่าไหร่บันนี้มันต้องพันใช่ไหมพันหกร้อยกิโลใช่ไหมหรื อ, อยังไงพันสี่ร้อยกิโลมไม่รู้เลยว่ตอนนี้หน0่พันสี่ร้อยกิโลนะบันนี้เราเคียงเอาเาว่า สิบหกกิโลก็พอเอาเพียงแต่ร้อยเส้นเพียงสี่รอยเส้นหมแล้วเอาเมล็ดมาเมล็ดงานเนี่ยตื่นมาไม่ใชว่าปีทิพนะไม่ได้ออกปีทิพของเทวดาเอาทุกวันที่เราว่ดตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเอาเมล็ดงานเรียงเม็ดเลียงเม็ดเรียงเม็ดมันจะเต็มไหมมันจะไปถึงกันไหมเข้าใจว่าไม่ถึงจริงๆในสมัยนั้นอาตมาไม่มีกระโถไม่มีมียากระพระแต่ยากระพระเขาเรียกยาขามองน่ะ มียาตาด้วยทองอยู่หันหนึ่งกลับแต่ไม่เสร็จเป็นของอาตมาเป็นยากลับเป่าถ้าเราตื่นมาทุกวันเอาเมล็ดงาที่โ น, โน่นี่วันละเม็ดละเม็ดตีนี้ไปถึงตายมันก็ไม่เต็มนี่เขาใจจังจ เ, เราจะไปเลี้ยงเม็ดแล้มันจะเต็มได้ทําไมอคิดไปเองมันเข้าใจอย่างนั้นความคิดของปุถุชนกับความคิดของพระเดียะเจ้ามันไกลกันจริงๆ มันพูดความจริงให้ฟังอย่างหนึง่งมันตีความหมายไปอีกอย่างหนึง่งมันเป็นอย่างไนงก็เลยเกิดมีความสํานคขึ้นเคลื่อรู้สึกตัวนี่เองพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวขั้วมือลงรู้สึกตัวพิบตารู้สึกตัวเลือดใต้แลหัวรู้สึกตัวเกินน้าลายลงไปในคอเหล่านียรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัว จิตใจมันนึกมันคิดมันรู้สึกตัวอ๋อหมายถึงเมล็ดงามหมายถึงความรู้สึกตัวนี้เองเมื่อมีความรู้สึกมากเข้ามากเข้ามากเข้าความไม่รู้สึกมันก็หนีไปหนีไปเอาความรู้สึกไปยัดเข้ายัดเข้าบ้านหลวพอดีเอาไปแทนก็ได้ยัดเข้าก็ได้ที่มันว่างทั้งนี้ว่ายังไงทางนี้ ว่าว่อย่างไรเอาเงาเข้าด้วยอดเติมเข้าด้วยอย่างไรอ <f ior ga> อเอาเติมเข้าทอ่เติมเข้ามันก็เลยเตียนหาเตียนในเป็นกลับหนึ่งโอ้มันไม่ใช่เป็นของอยาก <f î> ดังนั้นจึงว่าการทําความรู้สึกตัวทําความตื่นตัวทําความรู้สึกใจทําความตื่นใจจึงมีอานิสงฆ์คําว่าอานิสงฆ์เนี่ยให้เข้าใจมันมี ญาณปัญญาหรือปัญญายาณเกิดขึ้นให้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละคืออานิสงส์ถ้าหากเราทําไปจนเท่าใดวันก็ตามถ้าหากว่าญาณปัญญาหรือปัญญายาณยังไม่เกิดนั้นเรียกว่าอานิสงส์ยังไม่พร้อมสมมติให้ฟังอย่างมะพร้าวบ้านหลวงพ่อพเดียมะพร้าวมะพร้าวนี่ก็อาจจะไม่รู้ หรือเม็ดในมะม่วงเนี่ยในมะขานุนอะไรก็ตามมันมีพืชมันอยู่แล้วทุกเม็ดทีเดียวแต่เมื่อเราเอาไปลงดินไปปลูกที่มันไม่มีน้ําไปปลูกที่มันแห้งแรงคงจะนานออกหรือบางทีอาจไม่ออกก็ได้ถ้าไปปลูกที่มันใกล้ๆน้ําเนี่ยพอมีน้ําบ้างรดน้าํามัน ไม่นานผลละไมเหล่านั้นก็แตกดอกออกผลขึ้นมาอันนั้นก็เรียกมันแตกดอกออกผลให้บุคคลที่ไปพ่อไปปลูกนั้นได้รับประโยชน์จากอันนั้นเรียกว่าอานิสงส์เช่นเดียวกันดังนั้นพระเนนก็เนนไม่มีนะมันเคยพูดพาเนรพระพวกเรามาจําพรรษาทวัสนามใหญก็เช่นเดียวกันญาติโยมมาจําพรรษาวัดสนามใหญก็เช่นเดียวกันอานิสงส์ให้รู้จัก อานิสงค์คือญาติโยมมาจำพรรษามาเจริญสติเจริญปัญญาให้มีสติมีปัญญาเกิดรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่ามีอานิสงค์พระก็เช่นเดียวกันทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจรู้จักสภาพภาวะจิตใจของเรานึกคิด แล้วก็ต้องมียานปัญญาหรือปัญญาญาณเกิดขึ้นเรียกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังได้นั่นเรียกว่าอานิสงส์เมื่อพูดถึ ง, ถงตอนอานิสงส์นี่ก็เลยจกพูดเรื่องสิ่งที่มีอุปสรรคกับอานิสงส์ให้ฟังเพราะว่าการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคมีสิ่งที่ขัดขวาง คำว่อาอุปสรรคกับขัดขวางห่วงกั้นมันเป็นคำเดียวกันนะอุปสรรคนี่ก็หมายถึงการขัดแยง้งขวงกั้นก็หมายถึงไม่ให้เราไปได้ขวงทางไว้กั้นทางไว้ท่านเรียกว่าเดียยวสารหรือเดี๋ยวถีเดี๋ยวสารเวชาเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขวงกั้นที่แรกเมื่อภาวนา โคบาสอนก็นว่านั่งหลับตาเห็นสีหลังลาออกมาจะเห็นอะไรก็ตามท่านวัดนิมิตเนี่ยสอนธรรมดาคนเนี่ยมันต้องอยากเห็นมันต้องเห็นอยากรู้มันต้องรู้สิ่งที่รู้นั่นรู้จริงเห็นจริงแต่นั้นไม่ใช่เป็นของจริงข่าวนั้นก็เข้าใจว่าอันนั้นแหละของจริงว่าเป็นนิมิตจริงจริงนี่เป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นนิมิตมันเป็นมายาของจิตใจ เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราลู้ยิ่งเห็นจริงมันพูกปิดบังไว้ของจริงเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไปเห็นสีแสงเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นลงไปหอดใต้พื้นดินพนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันคิดไปเห็นอันนั้นเนียวเราไม่เห็นจิตใจสิ่งนั้นเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขัดขวางเป็นสิ่งที่ขวางขั้น ที่ตัวของผมหรือตัวข อ, อตะมานะแต่คนอื่นน่าจะเป็นยังไงไม่ทราบแต่ที่แรกเข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละคือของจริงเมื่อเห็นแล้วก็อยากเห็นไปนั่งเที่ยวหลังก็อยากให้มันเห็นอย่างนั้นแต่มันไม่เห็นบางครั้งบางข่าวบางครั้งบางข่าวก็ใช้เวลานานอันนั้นก็เป็นอุปสรรคบางครั้งบางขาวมือตือ้ออยู่ในใจอันนั้นก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ขวางกัน้นเช่นเดียวกันบางครัง้งบางเขามึนศีรษะหัวเนี่ยบ้านหลวงพอเลียวว่าหัวมึนเหมือนกับหัวเนี่ยมันพองใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นอุปสรรคบางทีก็หนักใจอันนั้นก็เป็นอุปสรรคสิ่งเหล่านั้นเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นทางที่จะเรานํามาปฏิบัต มันเป็นทางที่ขวางกั้นไม่ให้เราลูกของจริงเท่านั้นเองดังนั้นหากว่าคนใดคนว่าหากว่านี่จะเข้าใจไหมคุณพันธหากว่าเนี่ยทางนี้ต้องหากว่าใช่ไหมหากว่าเข้าใจดีแล้วมันก็การปฏิบัติของเราก็สะดวกสบายดีถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นจะเป็นการสักษา มากเมื่อทำอย่างนั้นแหละปีหกเดือนศึกออกมาเป็นหนุ่มก็ยังทำอยู่จนกระทั่งอายุยี่สิบปีก็ไปบวชเป็นพระหนุ่มตามธรรมดาอีกสิ้มหกเดือนก็ทำมาไม่รู้เลยทำก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่รู้แล้วก็ชอบทำบุญชอบเพราะตัวเอง กลจะไปตกนรกกลัวจะยมพิบาลเพราะบ้านหลวงพ่อเขาให้รูปภาพไว้ตามฝาผนังศิลเนี่ยวฝาโบสถ์น่ะเขาแต้มเป็นรูปรูปหัวเป็นคนตัวเป็นควยบางทีเนะี่ะควายนะนี่จะควยนะควายบ้านหลวงพ่อเรียกว่าวยบางทีก็ตัวเป็นหัวเป็นบางทีก็หัวเป็นตัวเป็นมันแล้วแต่เขาจะทำกันไป คนสมัยนั้นเขาทำกันยังไงมีปัญญาทำกันดีบางทีก็เป็นไก่เป็นหมูเป็นเป็ดแล้วเดี๋เขาจะทำยังไงก็มีเจ้าอยุีิบานเอาหอกแทงศีรษะแทงหัวสักหัวเลือดออกมาตามตัวนี่กลัวคิดอยากได้แต่บุญแต่บุญนั้นหมายถึงอะไรก็ไม่รู้ข่าวนั้นอันนี้แสดงว่าเราไม่รู้ก็ต้องเรียนต้องทำทำกับรู่บาอาจารย์ ครูบาอาจารย์สอนให้ต้องทำหลายอย่างนอกจากนั้นมามีอาจารย์มาพูดให้ฟังต้องสามาอลาหังบ้างต้องนับหนึ่งสองสามบ้างอย่างนี้ทามาสิ่งเหล่านี้ทำมาแต่ไม่รู้ยังไม่เกิดปัญญายังไม่รู้สึกว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะรู้มาทำพองยุค มาทำอาณาปานาสติหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้ลูจ้จัวาลมหยาบลมละเอียดเข้าสั้นออกยาวให้รู้ทำแล้วได้ความสงบทำแล้วได้ความความสงบก็ป เ, เป็นอุปสรรคแล้วแต่ก่อนไม่เข้าใจนึกว่าเราได้ความสงบกับคูมใจกับสิ่งเหล่านั้นความจริงแล้วเมื่อมาเข้าใจแล้วความสงบก็ป เ, เป็นอุปสรรค พูดเรื่องอุปสรรคเนี่ยนงความสงบผลยังไม่รู้ยังไม่รู้ความสงบตนตัวของผมเนะ่ยตัวของธารมวันนี้สิ่งที่มุนศีสะก็เป็นอุปสรรคหนักใจก็เป็นอุปสรรคมือใจก็เป็นอุปสรรคเวียนหัวก็เป็นอุปสรรคเนื่องจากการกระทำเหล่านี้เพราะเราไม่รู้จุดหมายปลายทางนั่นเอง ดังนั้นการกระทําทุกอย่างต้องมีอุปสรรคทางนั้นแต่เราให้รู้เท่าทันเหตุการณ์หรือกลไกนะโยบายสิ่งนั้นถ้าหากเรายังไม่รู้นะโยบายกลไกของสิ่งเหล่านั้นเราจะไปหลงติดคนมาพูดยังไงเราจะเสื้อไปทั้งหมดนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อเตือนจิตสกิดกใจของพวกเราผู้ปฏิบัติ เดินจมกลมไปก็ตามถ้ามันมุนศีษะเราก็ต้องพยาายมจับหัวเราไพื่อจับศีษะทํากกอย่างนี้แล้วมองไปไกลๆให้มันระบายอารมณ์ออกไปถ้ามันหนักใจเนี่ยเราจะไปมองใจใจมันแน่นเข้ามาบางครัง้งบางคร า, า, าวเดินไปแน่นหน้าอกเหมือนกับเลือดดำเป็นก้อนพุ่นมันเป็นอันนั้นกมน็มันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกัน แต่เราไปมองมันทําให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของคนเนี่ยหลอกหลวงได้จริงๆดังนั้นคําคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าจิตใจคนนี้ก่อกลับได้ไหวดุดมีลานไขในตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิต มุนไปในทางข้างกีทำที่มี ก, จก็จากหนีจากนายหายศูนย์อะทำเข้าครอบงำข่มระย้ำสัมบูรณ์ปีนปอกหลอกตนจิตใจเราหลอกเราดังนั้นสิ่งเหล่านั้นที่ทํามาแล้วไม่เข้าใจเมื่อมาเข้าใจแล้วอืมเราไม่รู้ครูบาอาจารย์พูดยังไงเราก็ต้องเสื่อไปบัดนี้ไม่เสื่อแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าผิด มันก็ผิดของครูบาอาจารย์จริงๆครูบาอาจารย์ว่าทําอย่างนั้นมันถูกมันก็โูกคําพูดของครูบาอาจารย์แต่ตัวเราจะทูกหรือผิดนั้นยังไม่ตักสินจริงๆบัดเมื่อมาเข้าใจอย่างนี้อ๋อครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้อย่างนั้นท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นที่ผมหรือตัวของอาตมาไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามพยายามพูดของจริงให้คนทุกคนเอาไปใช้ได้ ของจริงนั่นคือให้เรารู้สึกตัวกำมือรู้สึกเหยดมือรู้สึกพลิกมือขึ้นรู้สึกข่วมมือลงรูคว่ำลูศึกอันนี้มากขึ้นมากขึ้นเกิดยานปัญญาขึ้นมาปัญญายานนะี่ไม่ใช่เป็นนึกคิดเอานะนี่ยานของปัญญาเกิดขึ้นมาเองเหมือนกับเอาผ ล, ลไม้ไปเพาะในดินนี่นะ่ะเมื่อได้สัดส่วนมันแตกขึ้นมาเองถ้าหากว่ามันนานแตกขึ้นมาก็ต้อง อน้ำเป็นรถย้ายมันเสียมันก็ขึ้นใหม่บัด น, นี้ถ้าหากเราอยู่ใกล้ซิสกับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่านจะค่อยแนะนําเมื่อยานปัญญาไม่เกิดมันก็จะค่อยเกิดขึ้นมาเองเพราะความเย็นของน้ํากับความเย็นของดินมันจะไปกระทบกับพืชอยู่ข้างในมันจะค่อยๆ อ, ออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่ารู้ชา้าแต่ไม่ออกมาพูดบัดเดียว ที่อาตามาไปถามอาจจะมาลูกพูดออกมาบาดเดียวลูกพูดออกมาบาดเดียวนี่ว่าอย่างไงรูกปุ๊กเดียวเท่านั้นเองรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วจริงๆในขณะนั้นตอนเสาที่อาตามาเนืผมรู้นุ่ง ก, กางเกงขาสั้นนั่งประเพียกแมงป่องตกมาแต่เรียกวตกบ้านหลงเขาเรียกว่าตกตกมาจากเทงเนื้อล่นลงมาท่างนี้ว่าล่นลงมาล่นลงมามันอยู่ที่ไหนไหมน ตกเสียขาลุ่นลงเสีขานก็เลยเห็นแมงปองลงพอได้แมีงปองแมงงอดบ้าลงเขาเรียว่าเมีงงอ ด, ล, งอ ด, งงอดลุ่นเสียขาล้วก็รู้จักรูปน้าขึ้นมาทันทีโอ้ขาเรานี่เป็นรูปเป็นน้ําแมงปองก็เป็นรูปเป็นน้ําำรูปน้ําเนี่ยมันมีอยู่ทุกค น, นก็เลยรู้จักเรื่องรูปนา้ารูปธรรมน้ำธรรมรูปโลกนา้าโลกรูปโลกน้ําโลกมีสองอย่างก็เลยรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตา รู้สมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปูบุญรู้จริงๆเรื่องนี้ใครจะพูดยังไงไม่เชื่อก็เลยรู้จากอานิสงส์การเจริญสติเนี่ยอานิสงส์มันคือเมื่อมันเกิดยานปัญญาขึ้นมาให้เรารู้นั่นอานิสงส์คือขึ้นมาแล้วไม่ต้องถามใครที่ไหนก็ได้เลยแต่เลยไม่ต้องถามใครเลยอาตมาไม่ถามใครเลยใครจะว่าผิดก็ผิดเรื่องของเขา ใครจะว่าทกโอทุกเรื่องของเขาไม่ใช่ถูกของเราเมื่อเราเห็นแจ้งรู้จริงแล้วไม่ต้องเสือใครนิว่าตัดสินได้เลยว่าตนเป็นที่พึ่งของตนมีพุทธศาสนาโดยขึ้ น, านภายในจิตใจดังนั้นศาสนากับพุทธศาสนานะั้นจึงไม่เหมือนกันคนส่วนมากรู้จักศาสนาไม่ค่อยรู้จักพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเข้าใจเอาอย่างนี้ฮะ ตัวเองพูดกับตัวเองคนส่วนมากเข้าใจเพียงศาสนาไม่เข้าใจตัวหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาคือตัวยานเกิดขึ้นนั่นแหละตัวพุทธศาสนาเมื่อเราทําอย่างเนี้พุกคนทําได้และไม่เป็นของไข่อีกสด้วยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของโยมถือศาสนาไหนก็ได้ นุ่งผ้าเสียอะไรก็ได้ทำจริงๆแล้วอา้าวอย่างนานที่สุดไม่เกินสามปีควมทุกจะลดน้อยไปน้อยไปแทบจะหมดทุกคนละเข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าเมื่อยังไม่ทำอย่างนี้ไม่เข้าใจตัวของอาตมาเรื่องให้ทานรักษาศีลเนี่ยไม่เข้าใจอันนั้นมันเป็นการทำดี เราให้ทานเป็นการทำดีเรารักษาศีลเป็นการทำดีแต่ให้เรารู้เรื่องอุปสรรคจริงๆการเจริญสติวิธีปฏิบัติธรรมอย่างที่ตัวของผมร้อยฟังให้รู้จักจริงๆทุกคนต้องเป็นไม่มากก่อน้อยเรื่องนี้ที่ได้พยายามทำมาแล้วเนี่ยบางคนก็ห้าวันหกวันบางคนก็สองวันสามวันบางคนเป็นปีก็มีนะมันเป็นอย่าง ดังนั้นอุปสัสรรคนี่เป็นสิ่งที่ขัดขวางเป็นสิ่งที่ขวางขัน้นและทุกคนก็ทำไปได้ดังนั้นจึงว่ากลางคืนแนะนำาให้นอนเต็มที่ไม่ให้อดนอนกลางวันนี่พยายามอย่าให้มันนอนอย่าให้มันง่วงจริงๆพอดีมันง่วงนอนเรื่องนี้ทำวิธีใหม่ขึ้นมาแก้ปัญหาตัวเองอยู่จังนั้นแหละแก้ตัวเองคนอื่นแก้ให้ไม่ได้เราจะไปถามคนอื่นน่ะ ยิ่งถามก็ยิ่งสงสัยยิ่งถามก็ยิ่งไม่รู้มันออกจากนอกตัวเราไปคือไม่ได้ออาเมล็ดงา ม, มาทิ่งเสนที่มันว่างนั่นเองเห็นยถ้ามันว่างก็หมายถึงเราไม่รู้สึกตัวนั่นเองพูดถึงมันสูงกับหมายถึงโทสะโมหะโลภะนั่นเองอันนี้มันสูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรารู้เห็นเข้าใจสภาพความเป็นจริงแล้วมันสูงขึ้นมาไม่ได้ แล้วมันว่างไม่ได้มันก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวอย่างว่าเอาไปแทนเอาความว่างหนีไปเอาความรู้สึกตัวเข้าไปแทนไปอัดไปหนุนเอาไว้อย่างเนี้ยนี่แหละปัญหาง่ายๆทําอยู่ที่ไหนก็ได้การทําอย่างนี้คนเด็กก็ทําได้คนแก่ก็ทําได้นุ่มสาวก็ทําได้คนถือศาสนาไหนนุ่งผ้าเสีอะไรก็ทําได้ ทำเพื่อประโยชน์อะไรทำป้องกันไว้ไม่ให้ทุกเกิดขึ้นคนเราไ ม, ม่มันไม่มีทุกอยู่แล้วแต่ทุกเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเราไม่รู้เท่านั้นเองถ้าหากเรารู้แล้วข่มทุกมันไม่มีทุกคนไม่มีทุกเลยทุกเกิดขึ้นในขณะเดียวเท่านั้นเองเกิดในขณะที่เราหลงตัวเท่านั้นเองพอดีหลงตัวปึ๊บโมหะเรียกว่าโมหะ บ้านเราพอดีว่าหลงตัวลืมตนหลงกับลืมเป็นคนละอันกันหลงก็พอดีมันตึ๊กได้ทันทีเนี่ยลืมเนี่ยโอ๊ยมันโกดมาพอแล้วบางทีแสดงความไม่ดีออกมาดังนั้นคนเราทุกคนแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนทุกคนเป็นอย่างนั้นผู้หญิงก็แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนผู้ชายก็เช่นเดียวกันภาคสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันแต่จิตใจนั้นอาจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ เป็นผีก็ได้เป็นเป็ดก็ได้คนใดมารู้อันนี้แล้วแสดงว่าคนนั้นมีตาทิพย์มีตาทิพย์จึงสามารถมองเห็นได้ถ้าไม่มีตาทิพย์ไม่สามารถมองเห็นได้เรียกว่าตาทิพย์น้อยๆนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อเตือนจิตสักจิตใจของพวกเราคําว่าอานิสงส์นั้นหมายถึงญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วจึงมีอานิสงส์ถ้าญาณปัญญายังไม่เกิดอานิสงส์คนยังไม่พร้อมเข้าใจย่าง การมารักษาศินก็เช่นเดียวกันรักษาศินห้าสินแปดสินสิบสินสอง้อิบเตามเมื่อยานปัญญายังไม่เกิดแสดงว่าศินยังไม่สมบูรณ์แต่คนนั้นยังไม่เคยรักษาศินไม่เคยสมาทานสินก็ตามเมื่อมียานปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าคนนั้นมีศินสมบูรณ์แล้วศินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบ ล้นหายไปแล้วหรือหนีหายไปแล้วยานปัญญายังเกิดขึ้นเมื่อกิเลสยังยากยังมีอยู่ยานปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับผลลาม้ที่เราไปปลูกว่าที่มันแห้งดินไปกบอยูเราตามมันแห้งมันไม่สามารถที่จะออกได้วันนี้เอาไปปลูกที่มันซุ้มมันเย็นมันสามารถแตกดอกออกผลไมาให้เราได้เมื่อมันแตกดอกออกผลมาให้เราได้ เ, อกออกเราก็เห็นเม็ดมันเป็นอย่างนี้อันนั้นก็เหมือน การปฏิบัติธรรมสำหรับผมจะพูดในวันนี้การพูดภาษากลางนี่ผมไม่ค่อยชัดแต่พอฟังได้แต่ไม่ทูกอักขระพยัญชนะหรือเสียงต่ำเสียงสูงผมไม่เคยเข้าโรงเรียนไม่เคยได้หัดพูดอย่างนั้นจึงว่า ให้ฟังพอฟังได้นี่เองการพูดภาษานั้นผมพูดไม่ไม่ถูกหรือไม่เป็นว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสมัยนี้มีการศึกษาเล่าเรียนกันมากการปฏิบัติธรรมก็มากเหมือนกันแต่ทุกคน ได้ปฏิบัติมาแล้วคำว่าการปฏิบัติธรรมนี้แต่ไม่เข้าใจผมเกิดหลุดจากท้องแม่มาแล้วผมรู้สึกตัวว่าแต่อายุในเกณฑ์สมปีสปีเข้ามานี้ถึง4 0 5สบห้าปีหรือถึงตายว่าอย่างนี้ก็ได้นะ เป็นการปฏิบัติธรรมทางนั้นแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมน้นคืออะไรหมายถึงการปฏิบัติอย่างไรผมไม่รู้ต่อมาผมมีอายุในขณะนั้นสี่สิปีผมมีความรู้สึกตัวขึ้นมาการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนได้ปฏิบัติมาแล้ว ไม่มากก่าน้อยแต่ไม่รู้เข้าใจอย่างนั้นทีเดียวครับดังนั้นทุกคนจึงมีการให้ทานมาแล้วไม่มากก่าน้อยการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันการทำกรรมฐานหรือวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเป็นการปฏิบัติธรรมท้งนั้น คำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยครับเราไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติวัตถุสิ่งอื่นๆให้มากมายหลายเรื่องครับคือเป็นการปฏิบัติตัวเองนั่นเองครับเป็นการปฏิบัติธรรมรำดีก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมรรมะชั่วก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่เป็นปฏิบัติอาธรรม การทำดีพูดดีคิดดีเรียปฏิบัติธรรมเพื่อกุศลการปฏิบัติธรรมคือทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วปฏิบัติธรรมเป็นอากุสนธรรมนำทุกน้ำควมเดือดร้อนนำควมสับสนวุ่นวายมาให้แก่เรานี่การปฏิบัติธรรมไม่อื่นไกลเลยครับ พูดยังงนะ่ายๆกันเม้คนเราส่วนมากถ้าจะปฏิบัติธรรมนะครับต้องไปให้ทานจนครบจนจบจนทุวนให้พอบริบูรณ์จึงจะปฏิบัติธรรมได้อย่างน้นหรือไปรักษาศีลให้บริบูรณ์ไม่ให้ศีลด่างศีลพ้อย แล้วจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมได้เข้าใจอย่างนั้นผมเองนะอย่างนี้เป็นจํานวนมากทีเดียวคนที่เข้าใจอย่างผมนี้นี่แสดงว่ายังไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมตัวผมคนอื่นอาจจะรู้หรือไม่รู้นั้นผมไม่สามารถที่จะมองเห็นจิตใจคนอื่นได้แต่ผมคิดคาดเดาเดาเอว่า คงจะเหมือนกันคนทำไมโพสอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนั้นมาสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตท่านไว้เมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็โสเสแวงหารูอาจารย์หรือปฏิบัติไปเรื่อยๆไปท่านไวเพราะไม่รู้ก็ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนไปมาก เังว่าเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายคล้ายคือกันกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายคล้ายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับเราแตถาคตทันวันอย่างนั้นในเรื่องคนมันมีแขนมีขามีตามีหูมีจมูกมีกายมีใจเช่นเดียวกันจึงว่าการปฏิบัติธรรมะจึง ปฏิบัติมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ ล, ก, ลกรู้สึกว่าทุกคนมาที่นี่ต้องมีการให้ทานเช่นตักบาตรหรือให้อาหารหมานข้าวแก่ใครก็าตามลูกก็าตามหลานก็าตามเพื่อนบ้านเพื่อนล้มโลกก็าตามที่เราให้ทานไปโดยเป็นวัตถุอันนั้นก็เป็นการให้ทานเช่นเดียวกัน แต่ความเข้าใจของเราการปฏิบัติธรรมต้องเป็นนั้งทํำให้เป็นสมาธิหลับตาหรือภาวนาพุทโธบ้างสัมมา阿拉หังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างภาวนาทองยุบบ้างอาณาปานาาสติบ้างก็งไปสร้างอย่างนั้นขึ้นมาจึงเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อทางหลุดพ้นทันวันอย่างนั้น ผมเคยเรียนอย่างนี้มาผมไม่รู้ผมจึงได้ทำเมื่อรู้แล้วอันนั้นมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่ออยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนั่นเองแต่ความจริงปฏิบัติธรรมน่ะไม่อื่นไก่นะครับพูดง่ายๆ่ายนะคือการปฏิบัติตัวเราทำดีพูดดีคิดดีมีคนมาพูดจาปาใส่ เราต้องสำนึกได้ดูจิตดูใจของเราที่มันนึกมันคิดเมื่อก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดนี่เป็นการปฏิบัติธรรมและทําการทํางานพูดคิดอะไรทั้งหมดเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นครับไม่ใช่ไป น, นั่งหลับตาหรือภาวนาพุทโธธรรมโมอรหังผ่องยก ดูลมหายใจอันนั้นก็จริงอยู่ครับจริงโดยเป็นวิธีการอันนั้นเขาเรียก ว, วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงท่านว่าอย่างนั้นตัวการปฏิบัติธรรมคือการงานนั่นเองครับการงานทุกชิ้นทุกอย่างทีเดียว ทำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตนนั่นแหละคือเป็นการปฏิบัติธร ร, รมถ้าหากผู้เป็นบิดามารดาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองปฏิบัติตามหน้าที่ของบิดามารดานั่นแหละคือเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราเป็นลูกเป็นหลาน เนี่เป็นการปฏิบัติธรรมครับไม่อื่นไกลทีเดียวจะนั่งหลับตาก็ได้ไม่นั่งหลับตาก็ได้การนั่งหลับตานั้นผมเข้าใจว่าจะได้ประโยชน์น้อยเพราะผมได้ทํามาแล้วได้ประโยชน์เรื่องอะไรทํานาไม่ได้ทําสวนไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ ไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่ได้อาบน้ําก็ไม่ได้เพราะเราไปมัวนั่งหลับตาอย่างนั้นแม้ผลที่สุดผู้ร้ายขึ้นมาได้บ้านรักของเราก็ไม่เห็นเพราะเรานั่งหลับตาอันนี้จึงว่าตามความเข้าใจของผมมันผิดไปจากการทำหน้าที่ของมัน ธรรมชาติหน้าที่ของมันตาต้องไว้สำหรับดูหูไว้สำหรับฟังบ้านผมเรียกว่าดังมันจมูกเนี่ยสำหรับไว้ดมกลิ่นเหม็นหอมกายของเราเนี่ยครับมีไว้เพื่อสำหรับสัมผัสอากาศภายนอกเย็นร้อนอ่อนแขงเนี่ยครับปากของเราลี้นเนี่ย มีไว้สําหรับเกลียวอาหารลู่จักเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวอะไรนี่ลี้นเป็นหน้าที่ลู่จักอย่างนั้นและ จ, จิตใจมันเป็นหน้าที่ของมันที่นึกที่คิดจะห้ามไม่ได้เพราะหน้าที่ของมันดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนการปฏิบัติธรรมจึงปฏิบัติหน้าที่ของมัน ไปกับธรรมชาติปฏิบัติกรรมธรรมชาตินั่นแหละครับธรรมชาติมันมีอย่างไรเราต้องรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของธรรมชาติแม้คนเรียนหนังสือมากๆก็ต้องรู้อย่างนี้คนที่เรียนหนังสือไม่ได้เขียนไม่เป็นอย่างที่ผมเนี่ยเขียนตัวไทยไม่ได้ พูดภาษากลางก็ไม่ถูกอักษรหรืออักขระพยัญชนะเสียงต่ำเสียงสูงเสียงหนักเสียงเบาไม่ถูกเพราะผมไม่เคยเรียนนยแต่การปฏิบัติธรรมนั้นรูเหมือนกันไม่ผิดกันจะเป็นคนซดัดใดภาษาใดถือาศาสนาไหนนุ่มผ้าสีออะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรม คือปฏิบัติตามหน้าที่นั่นเองปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความทุกข์ความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นภายในจิตสำนึกเมื่อเรามองดูสภาพนรืภาวะการเคลื่อนไหวทุกเรียบหมดทีเดียวครับแต่วันหนึ่งเนี่ยคงจะรู้ได้น้อย เพราะเรายังไม่เคยฝึกหัดดัดนิสัยมาให้รูก้การรู้สึกมันจึงเป็นการรู้ได้น้อยบท น, นี้เรามาทำความรู้สึกบ่อยเข้าบ่อยเข้ามากขึ้นมากขึ้นมันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดคนรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจมันนึกมันคิดเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ครับ ปฏิบัติแล้วมันจะมีผลประโยชน์อย่างไรฟังผลของมันเมื่อเราทำความรู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้ามากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้มันก็หายไปหายไปผมรู้มากขึ้นเหมือนวิธีลบมันหายออาไปบวกเข้าบบบนี้ เอาความรู้สึกมาบวกเข้าบวกเข้ามากขึ้นความไม่รู้นั้นจะลดน้อยไปลดน้อยไปผลที่สุดความไม่รู้ก็จะหมดไปคือวิธีลบให้มันหมดไปครับเพราะการเคลื่อนไหวของคนเรามันมีทุกคนจึงว่าปฏิบัติธรรมนั้นต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันรู้ก็ต้องรู้อย่างเดียวกันนี้ครับ แต่รู้อย่างอื่นนั้นก็รู้เหมือนกันแต่มันยังไม่ใช่เป็นการรู้ธรรมะบางคนปฏิบัติธรรมะต้องเห็นสีสแสงผีเทวดานรกสวรรค์หรือเห็นพระพุทธรูปลูกแก้วอะไรก็ตามผมเคยทำมาแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่มันมีความรู้จริงแต่สิ่งที่รู้นั้นไม่ใช่เป็นของจริง มันเป็นมายาของจิตใจจิตใจคนนี้มันวอกแว ก, กออกกลับได้ไวครับคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าจิตใจนี่วอกแวกก็กลับได้ไวดุจมีลานไข่ในตนหันมาเราท่านพวกคนนี่แหละควรบังคับคนให้จิตหมุนมาแต่นในทางข้างดีเพราะปลอย ละเลยให้จิตหมุนไปในทางข้างกีคือกิเลสนั่นเองครับทางข้างกีทำที่มีก็จะหนีจากนายหายสูญทมที่มีคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองเราไปมองสิ่งที่ไม่มีของจริงไปสร้างขึ้นมาเป็นภาพเป็นมายาทางจิตใจเนี่ยมันก็เลยมาอกตัวเอง ธรรมที่มีคือความรู้สึกนั่นมั น, ม, นมันก็หนีไปเพราะมันไม่รู้สูนอะธรรมเข้าครอบนำธรรมที่มีคนจะหนีจากหนายหายสูนคือมันหายไปสูนไปมันเป็นวิธีลบความรู้สึกหนีหมดมีแต่ความไม่รู้มากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกก็หนีนายหายสูนไปอะธรรมเข้าครอบนำ หวมละยำสมบูรณ์ก็ปีนปอกหลอกตนมันหลอกตัวเราครับดังนั้นผมเคยทำกรรมฐ า, านมาพอสมควรครับบางทีนั่งลงไปเห็นเลขก็มีนะครับเพราะจิตใจของเรานี่มันหลอกเราครับคือไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพภาวะ การเคลื่อนไหวรูปกายทพเป็นวัตถุนี้เองและเมื่อไม่รู้สภาพภาวะการเคลื่อนไหวที่เป็นวัตถุนี้จิตใจมันก็ยิ่งลึกลับยิ่งละเอียดคนอื่นมองไม่เห็นตัวเองก็มองไม่เห็นมันนึกมันคิดขึ้นมาข่าวใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมันก็เลยแสดงออกมา เหมือนกับลิ้นก่นนี้เองครับรลิ้นคนลิ้นคนคำว่ากนนี่ไม่ใช่ของจริงครับแต่คนเราเกิดมาแล้วสเสาะแสวงหาแต่ของดีซอกหาคาถมคาถาเครื่องรางของขังดูลึกงามยามดีหาของไม่จริงทั้งนั้นอันนี้ครับบางคน หาเรียนขาดมขาถาสาริกาลินทองเป็นสนมเสนเพื่อให้คนรักคนชอบเราอันนี้แสดงว่าไม่ศึกษาของจริงมันก็เลยไม่รู้ของจริงคำว่ามนนี่ครับคำว่าของขังศักดิ์สิทธิ์คำว่ามนว่าม น, นเป็นกลนครไว้สำหรับหลอกคนบุคคลที่ไม่รู้ ให้ว่ามนขังคนไม่รู้ก็เลยไปติดเราะว่ามนขังมันจะคังศั์สิตอะไรมันหลอกเรามันเป็นมายาเพราะเราไม่มีที่พึ่งคนโบราณถ้าจะมาของดีมีอยู่ในตัวแต่เพียงทำดีพูดดีคิดดีนั่นแหละดีแล้ว สิ่งอื่นไม่ดีเท่ากับทาดีพูดดีคิดดีนี่เองครับคาถมคาถาสาลิกาลินทองก็ต่างแต่ทาไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีจะซื้อขายอะไรก็ไม่ดีจะพูดกับพักกับพวกก็ไม่ดีเพราะมันดีไม่มีแล้วมีแต่คมไม่ดีท่านจึงว่ามนคาถมคาถา เครื่องรางของขังมีไว้สำหรับหลอกคนที่ยังไม่รู้ให้ว่ามุนขังคนบูราณท่านว่าไม่ต้องไปมัวผววงผวายหาเรียนเครื่องขังประจุดมตนยันเครื่องรางของขังคาถมคาถาสาริกาดินทองอะไรกันให้มากเพียงมาทำความดีกับพักกับพวก รู้สึกตัวทำดีพูดดีคิดดีกับพรรคกับพวกดีนั้นมีมาเองเพราะเราลักเขาเขาก่อนลักเราเราทำดีกับเขาเขาก็ทำดีกับเรานี่เป็นการปฏิบัติธรรมง่ายๆอย่างที่ผมพูดนี่ไม่ยากถ้าเราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีจะมีคาถมคาถา สาลิกาลินทองก็ตามดีเกิดขึ้นไม่ได้ดีได้แต่สำหรับลอกกันทอนนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดคมจริงให้ฟังอย่างนี้บางคนก็ไม่ชอบคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าคลวาฏญาตโยมพูดธรรมะให้ฟังไม่ชอบ ไม่ชอบธรรมะแต่ความจริงชอบธรรมะอยู่แต่พูดธรรมะให้ฟังไม่ชอบเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าพูดหลักวินัยให้ฟังประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวิ น, ยนัยมันไม่ชอบพูดธรรมะให้โยมฟังไม่ชอบพูดวินัยให้ภาพฟังไม่ชอบแต่ความจริงทุกคนต้องการทุกคนชอบ เือระเบียบวินัยพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ฆราวาสญาติโยมนั้นต้องการธรรมะมาประดับเนื้อประดับตัวแต่พูดธรรมะให้ฟังไม่เข้าใจเนื่องจากการไม่รู้การปฏิบัติธรรมะนี่เองดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นจึงเป็นการปฏิบัติตัวเองทุกคนทําได้เด็กก็ทําได้ หนุ่มสาวก็ทำได้คนแก่แก่ก็ทำได้พอบ้านแม่เลือนปฏิบัติได้ทางนั้นถ้าหากไม่รู้จักธรรมะการปฏิบัติมันก็ทำให้เราเดือดร้อนนำทุกข์นำความสับสนวุ่นวายเข้ามาสู่ตัวเราคนเราทำงานเพื่องานทำงานไม่ต้องการขมทุก เกิดมานั่นจริงว่าไม่ต้องการทุกต้องการแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าแต่ความทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้วิธีปฏิบัติธรรมความเจริญไม่เกิดขึ้นก็เพราะเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมความก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าไปได้ก็เพราะเราไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติธรรมดังนั้นคําว่าสังฆทานก็ตาม อะไรก็ตามที่ผมมาเห็นคนทางภาคกลางนี่ครับถ้าไปในมพระสงองคเจ้าพอในมนฑเก้า ล, ลูปไปทำสังฆทานในบ้านก็ตามชอบทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อความดีนั่นเองแต่สังฆทานนะพระเก้าลูปหมายถึงอะไรบางคนเห็นเขาทำก็ทำไม่รู้ คำว่าสังคทานให้ผาสองเก้ารูปนั้นหมายถึงสังฆคุณเก้าหมายถึงสังฆคุณเก้าทำงานต้องก้าวหน้าไม่ถอยหลังเขาเรียกว่าเก้ารูปสังฆคุณเก้าคือหมายถึงทําไปให้ก้าหน้าไม่ทําให้ถอยหลังเรียกว่าสังฆคุณเก้า แต่ไม่เข้าใจบางคนทำสังฆทานแล้วก็ต้องบางคนนะครับผมเองก็เคยเป็นอย่างนั้นกินเหล้ากันครับบ้านผมเรียก ว, ว่าเหล้าทางนี้อาจจะสุลาก็ได้ครับแล้วบางคนเล่นการพนันก็มีข่าวัวข่าควายข่าเป็ดข่าไก่เป็นอย่างนั้นครับ บางคนซกต่อยกันก็มีนี่ยว่าทำบุญมันไม่รู้มันไม่รู้จึงทำไปอย่างนั้นคำว่าบุญบุญนี่ครับทำแล้วกล้าวหน้าไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความสับสนวุ่นวายนั่นเนี่ยคือบุญทำแล้วมันเดือดร้อนสับสนวุ่นวายถึงจะเป็นการทำบุญอยู่ก็าตามกําลังทำอยู่ก็าตาม นั่นแหละเดียวกับการสร้างบาปสร้างอากุศลรรมสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เราและแก่เพื่อนของเราเพื่อนบ้านของเราเพื่อนร่วมโลกของเราแสดงว่าเราไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมนี้เองดังนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจึงปฏิบัติตัวเราให้ถูกต้องตามหน้าที่ถ้าเป็นครูโรงเรียน ก็ไปสอนหนังสือตามหน้าที่ถ้าเป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือตามหน้าที่ของนักเรียนและไปเรียนหนังสือมีความหวังว่าจะไปทำการทำงานอะไรต้องตั้งปณิธานตัวเองว้ถ้าเป็นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามใครๆก็ตามเอาชอบอยาก เป็นพยาบาลต้องศึกษาหน้าที่อันนั้นถ้าชอบเป็นตำรวจต้องรู้จักหน้าที่ของตำรวจเพาะเลียนแล้วต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปเลยถ้าต้องการเป็นทหารโ็ตัวให้รู้จักฝึกหัดดัดนิสัยดัดแปลงตัวเองไว้ตั้งแต่ต้นมือครับอยากเป็น พ่อค้าพอขายแม่ค้าแม่ขายก็ต้องฝึกหัดดัดแปลงไปตั้งแต่ต้นมือเมื่อเราฝึกหัดดัดแปลงไปตามหน้าที่ของเราแล้วเราไปรับการรับงานหรือรับหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราต้องการอย่างนั้นแล้วก็ทำไปด้วยความต้องการของเราทำไปด้วยความไม่มีทุกนี่เองครับ สีวิตของคนจึงลาบเลื้นตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดที่สุดก็คือตายนั่นเองครับสุดแล้วตายแล้วแต่ทุกไม่เกิดขึ้นนั่นท่านเรวัลเป็นสวรรค์ท่านจึงกล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานคออยู่ที่ใจคนบบราณท่านสอนอย่างนั้นดังนั้น การศึกษาคาถมคาถาเครื่องรางของขังดูเลือกงามยามดีปลุกเสกอะไรก็ตามสู้การทำดีไม่ได้ครับการทำดีได้มันดีดีเพราะอะไรดีเพราะใจมันดีจึงทำดีได้คนทำดีนั่นเพราะใจดีนะครับจึงทาดีได้คนใจเลวใจร้ายนี่ครับทำดีได้ยาก แม้ทำก็ทำไปด้วยความฝืนอกฝืนใจจึงมีการโกหกหลอกลวงพูดเท็จกันการโกหกหลอกลวงพูดเท็จกันนี่ครับเพราะไม่ตรงมันก็มีทุกขไม่มากก็ น, น้อยมันนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เราดังนั้นขอให้ทุกคนฟังแล้วต้องปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่แล้วความทุกข์ความสับสนความวุ่นวายความเดือดร้อนมีอยู่ก็จะลดไปลดไปลดไปเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาทุกข์ก็หมดไปสุขก็มีมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละท่านจิงหว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจไม่ไกลแต่ให้เรามีสติ พูดตามภาษาธรรมะเนี่ย ม, มีสติหรือจิตใจมีสติพูดภาษาอย่างที่ผมพูดเนี่ยให้รู้สึกตัวในการทำการพูดการคิดคนเราการทำการพูดการคิดในขณะทมในขณะพูดในขณะคิดไม่รู้สึกตัวเองนั่นนะครับคล้ายคือสัตย์เดรัจารดังนั้นตัวคนเนี่ย แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจเป็นสัตว์เลี้ดสารก็ได้ดังนั้นท่านว่าจิตใจคนเนี่ยเป็นผีก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์นรกเป็นเป็เป็นอสุรกายก็ได้มันเป็นอย่างนั้นจิตวิสัทให้รู้จักหน้าที่ให้มีภาเกิดขึ้นภายในจิตใจ คำว่าวันพระก็เช่นเดียวกันมีพระเกิดขึ้นภายในจิตใจจึงเป็นวันของพระวันพระนั่นคือมีพระอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่วันสิบห้าค่ำวันแปดคำ่คำเป็นวันพระอันนั้นเป็นวันพระโดยสมมติท่านจึงให้ศึกษาให้รู้จักสมมติบัญญัติและปรมิบัญญัติอัถฐบัญญัติอริยบัญญัติ ท่านให้รู้จักอย่างนั้นจึงว่าให้เป็นพระในใจและเป็นบุญในใจถ้าหักใจเป็นบุญเป็นพระแล้วนั่นแหละความสุขความเจริญความก้าวหน้าสังฆทานก็ได้ในบนพระมาสังฆทานก้าวูปเป็นการก้าวหน้าองค์เดียวก็ถึงก้าวูปได้ สององค์ก็เถึงเรูปได้เก้รูปก็ได้เก้ารูปโดยสมมุติแต่ทางจิตใจก็เป็นเก้าจริ ง, รงเพราะทาการทางานไม่ถอยหลังนั่นเองเพื่อเป็นการวิวัฒนาตัวเองดังนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นทุกคนทำอยู่แต่ไม่รู้ธรรมะเท่านั้นเองดังนั้นธรรมะนั่นจะคือตัวทุกคนเป็นธรรมะผู้หญิงก็เป็นธรรมะ ผู้ชายก็เป็นธรรมะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นธรรมะดังนั้นจึงทาตามหน้าที่ตำรวจทหารครูปสบาลผู้ใหญ่บ้านกันนั้นทาการทํางานตามหน้าที่นั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้ทุกคนรู้จดจําเอาไว้นําไปปฏิบัติในชีวิต ในครอบครัวในบ้านห้องเราคนหนุ่มคนสาวก็เช่นเดียวกันรู้จักเคารพนับถือไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นยานิอันนั้นมันเป็นคำพูดนะโมตัสสนี่ครับถ้าเารู้จักแล้วมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างที่ลักนัดทีเดียวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อันนี้เป็นภาษาบาลีครับพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องถ้าแปลเป็นภาษาไทยภาษาพื้นบ้านของนะโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนุกน้อมอะระหาโตแปลว่าไกลจากกิเลสไกลจากฆ้าศึกไกลจากอันตรายสมา